เห็นทุกข์ในวัตตะบ้างหรือยังไหมรูกก็บอกว่าถ้าใครเห็นทุกข์ในวัตตะมากก็จะเห็นคุณค่าของทางแห่งวิสุทธิ์ว่างั้นแต่ก็จะเห็นคุณค่าแห่งทางก็บอกว่าถ้าหากว่าเรามองเห็นว่าฝั่งนี้มีภัยจริงๆเนี่ยนะฝั่งนี้มีภัยมากชุกชุมไปด้วยโจรผู้ร้ายเป็นต้นเนี่ยนะเรือนับว่าสำคัญที่สุดใช่ไหม ในการที่จะข้ามให้ถึงฝั่งที่ปลอดภัย<ม>เรือนี่นับว่าสาคัญมากถ้าหากว่ากล่าวถึงการเดินทางเนี่ยนะจากเมืองกันดานไปสู่เมืองที่กเกษมมันก็ต้องอาศัยรถเป็นต้นเนี่ยนะรถนี่นับว่ามีความสำคัญมากช่วยเหลือเกื้อกูลในการเดินทางเพื่อเข้าถึงเมืองที่เกรเฟมชันได้การที่เราอยู่ในสังสารวัตเนี่ยนะ สังสารวัฏตะหรืออีกใช่อีกศัพท์หนึ่งว่าสังสารทุกข์เป็นทั้งวัฏตะด้วยเป็นตัณงทุกข์ด้วยก็เลยเรียกว่าวัตฐทุกข์เมื่อเรามองเห็นว่าเออวัตฐทุกข์เหล่านี้นี่มีทุกข์มีโทษจริงๆเมื่อมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีทุกข์มีโทษเราก็ปรารถนาที่จะไปให้พ้นจากวัตฐทุกข์ทั้งร้ายเหล่านี้อ่าก็บอกว่า ปรารถนาอยากจะพ้นอย่างเดียวนี่พ้นได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้าหากว่าบุคคลที่ไม่รู้ทางแห่งความหลุดพ้นอย่างไรเสียเขาก็ไม่พ้นพระนิพพานก็เหมือนกันพระนิพพานนั้นเป็นธรรมะที่เกษมเป็นธรรมะที่ปลอดภัยเป็นธรรมะที่ไม่มีทุกเนี่ยนะเป็นนิรามิตเป็นธรรมะที่สงบประงบับเป็นธรรมะที่ปณีตเป็นอมตะธรรมพระนิพพานเหล่านั้นเนี่ยนะ ถ้าหากว่าบุคคลไม่รู้จักหนทางไม่รู้จักข้อปฏิบัติปรารถนาอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ถึงจะต้องการขนาดไหนถึงจะพยายามขนาดไหนสำหรับคนที่ไม่รู้ทางก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้หลายคนปรารถนาความบริสุทธิ์ปรารถนาอยากจะเข้าถึงไม่ผ่านเขาทำยังไงรู้ไหมลงอาบน้าอยู่ทุกวัน เขาปรารถนาความบริสุทธิ์เขาลงอาบน้า mm hmm. ก็บอกว่าอาบน้ำแล้วก็ขึ้นมาย่างกิเลสให้มันแห้งมาจุดไฟกองโตๆแล้วก็เผาจุดให้มันรอ้อนแล้วก็ไปพิงให้มันรอ้อนเงื่อโชกนั่นแหละแล้วก็ลงไปอาบใหม่ล้างกิเลสออกดำผุดดำไหว้ดำผุดดำไหว้วนาวเน็บนั่นแหละหน้านาวขึ้นมาก็มาย่างใหม่ ให้มันร้อนแล้วก็ลงไปล้างอีกเขาทําอยู่อย่างนี้เป็นสิบสิบปแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าใครคิดไม่ดีคิดเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยจะต้องทํำธนตกรรมว่างั้นขนสายเนี่ยมากองว่างั้นขนสายเนี่ยมากองพเนจรเถื่อทึกเลยนะเรียกว่าอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยนะหรือว่าลายแห่งอย่างที่พระอุรุเวลกัสสะปะนาธีกัสสะปะขยากัสสปะ พร้อมทั้งลูกศิษย์นี่นะก็มีข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้เขาปรารถนาความพ้นทุกข์เขาทำแบบนั้นแล้วก็หลายหลหลา ย, หลายแห่งในโลกนี้ที่มีข้อวัดข้อปฏิบัติใดๆเกิดขึ้นมาถามว่าข้อวัดปฏิบัติทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยทำเพื่อความสุขใช่ไหมที่เขาตั้งทฤษฎีทั้งหลายแล่นีนะ่เขาคิดว่าเอหนทางหรือการกระทาของเขาสามารถทาให้เขาถึงความสุขได้ ก็เลยคิดคนวิธีที่จะให้เข้าถึงความสุขเพราะว่านิพานนี้นิพานังประมังสุขรังใช่ไหมก็บอกว่าสุขเสมอพระนิพานไม่มีเพราะนิพานนี้เป็นสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสัสตวาทั้งหลายก็ปรารถนาที่จะเข้าถึงสุขที่สุขจริงๆนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าไม่รู้จากหนทางก็ไปปฏิบัติทางอื่นปฏิบัติีเรียกว่ามิจฉาปฏิบัติมิจฉาปฏิปนันธ์ปฏิบัติตามมิจฉามาก ไม่ได้ปฏิบัติตามสัมมามัตยเพราะฉะนั้นการศึกษาวิสุทธิมัตยก็คือศึกษาทางแห่งความบริสุทธิ์ซึ่งวิสุทธิมัตยนั้นเป็นรูปรวมถ้าวิสุทธิมัตยที่เป็นคัมภีร์ก็รวบรวมสาระในศิกขาในพระศ า, ศาสนาของภาษาสราของเรารวบรวมมาแล้วว่าข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นจะเรียกว่าเป็นศิกขาสามก็ได้ เรียกว่าอาธิศีลสิกขาอาธิจิตสิกขาแล้วก็อธิปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นสิกขาสมประการนี่แหละชื่อว่าศึกษาเพื่อความสงบศึกษาเพื่อความสุขเนี่ยนะศึกษาตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั่นแหละศึกษาเพื่อความเกษมศึกษาเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องตรวจสอบเครื่องวัดอีกอย่างหนึ่งว่าเราศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์ ถ้ายิ่งศึกษายิ่งปฏิบัติไปยิ่งทุกข์ขึ้นก็แสดงว่าไม่ใช่และเนี่ยนะไม่ใช่งั้นการกินยาทุกชนิดก็เพื่อหายจากโรคหายจากภัยการศึกษาพระธรรมคำําสอนก็เพื่อเข้าถึงความสุขใช่ไหมอริยสัจนี้กล่าวไว้สี่ประการทุกเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บสมุ ท, ทยัยเหมือนกับสมุทรฐานแห่งโรคภัยไข้เจ็บอันนั้นพระนิพพานก็เหมือนกับความหายโรค อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แดก็เหมือนกับยาเพื่อบำบัดโรคให้ถึงความหายโรคจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรากินยาเพื่อหายโรคยิ่งกินเข้าไปทุกวันทุกวันแล้วไข้ามากขึ้นกว่าเดิมแสดงว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงแล้วนะนะถ้าหากว่าเราทั้งหลายมาศึกษาคําสอนแล้วทุกมากกว่าเดิมเนี่ยนะแสดงว่าผิดแล้วละ่ะจะต้องผิดพลาดส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างแน่นอน ถ้าศึกษาแล้วไม่มีความสุขขึ้นเห็นไหมของธรรมานีิเชื่ออย่างนั้นเลยว่าถ้าเราไม่มีความสุขขึ้นนะไม่ได้ปีติไม่ได้ปราโมดไม่ได้ความเอิบอิ่มใจอะไรเลยเห็นไหมเหมือนกับเหมือนกับรับจ้างเลี้ยงวัวเฉยๆเนี่ยไม่ได้กินนมวัวเลยอ่ะแต่ทาอย่างนี้ก็แสดงว่าผิดพลาดร้ายแรงรุนแรงมากดังั้นการศึกษาถ้าทำคําสอนก็ต้องลักษณะนั้นเราต้องหมันเทียบเคียงอยู่เสมอว่าศึกษาแล้วได้รับความสุขมากขึ้นไหม ศีล น, นำมาซึ่งอะไรอันนี้สงองข้องศีลใช่ไหมอย่างเราเรียนเรื่องวิสุทธิมรรคก็เรียนเรื่องศีลถ้ารักษาศีลถูกต้องศึกษาเรื่องศีลจนเข้าใจว่าศีลคืออะไรใช่ไหมถ้ารู้จกักศีลแล้วรักษากุศลเจตนาเป็นต้นเอาไว้เพราะศีลเป็นชื่อของเจตนาเป็นชื่อของเจตสิกเป็นชื่อของสังวรเป็นชื่อของอวิติกรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะ หรือว่าตัวศีล เ, เน้นไปที่ธรรมะสีอย่างคือเจตนาเจตสิกสังวร อ, อวิติกรรมะอันนี้สงของเขานำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจตรงๆเลยนะตรงๆเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจะทำให้ไม่เดือดร้อนใจจะทำให้เกิดความปราโมน้นทำให้เกิดปีติทำให้เกิดปสัสสัทธิแล้วที่สุดแห่งศีลก็จะส่งให้เข้าถึงสุข เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนมีศีลก็จะมีความสุขถ้ารักษาศีลตามนี้ถูกต้องนะศึกษาตัวเจตนาศีล <lifecycle> เป็นต้นได้อย่างดีแล้วรักษากุศลเจ ต, ตนาเหล่านี้เอาไว้เพราะฉะนั้นเขาต้องเข้าถึงความสุขถ้าถ้าหากว่าไม่สุขละ่ะแสดงว่าศีลเหล่านั้นอาจจะขาดศีลเหล่านั้นอาจจะด่างพร้อยศีลเหล่านั้นอาจจะทะลุศีลเหล่านั้นอาจจะเป็นธาตุแห่งตัณหาธาตุแห่งกิเลส หรือเป็นท่าแห่งมิจฉาทิฏฐิก็ได้เพราะฉะนั้นศีลที่รักษาถูกต้องนจะส่งไปให้ถึงความสุขความสุขนี้เป็นเหตุใกล้แห่งอะไรความสุขเป็นเหตุใกล้แห่งสมาธินะสมาธิมีสุขเป็นเหตุใกล้ทีนี้ถ้าหากว่าคนมีสมาธิจริงๆเนี่ยนะสมาธิเป็นเหตุใกล้แห่งอะไรยถาภูตยานัศนะการรู้เห็นตามเป็นจริง เราเห็นพูดภูตะเนี่ยความจริงเห็นความจริงอะไรคือความจริงขันห้านั่นแหละคือความจริงขันห้าเป็นสัจจะไหมเป็นสัจจะเนาะเป็นสัจจะอะไรเป็นทุกขสัจใช่ไหมเ อ, อเพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงก็ต้องรู้จักขันห้ารู้ว่าขันห้าเป็นทุกขสัจเมื่อรู้ว่าขันห้าเป็นทุกขสัจพอแล้วใช่ไหมจบเลยสบายแล้วครั้ น, นี้รู้ว่าขันห้าเป็นทุกแล้วก็ยังเนาะ เมื่อรู้ขันห้าว่าเป็นทุกข์ก็สาวต่อไปว่าสมุทฐานหรือสมุทัยของขันห้าคืออะไรนั่นนะแล้วข้อปฏิบัติเพื่อความดับสมุทฐานอันนั้นนะคืออะไรนี่นนะเพราะว่าการดับสมุทฐานเหล่านั้นนัการศึกษาของเราจะต้องเป็นไปโดยลําดับแล้วก็จะเข้าถึงสันติเข้าถึงความสงบเข้าถึงพระนิพพานจริงๆเพราะว่าคําว่านิพพานนี้เป็นชื่อของอะไรนะได้ยินไนหะนิพพานเป็นชื่อของอะไร นิพพานเป็นชื่อของความสิ้นตัณหานะคำวา่านิพพานนี่เป็นความสิ้นตัณหานะนิวานะเนี่ยไม่มีตัณหาก็าบอกว่าตัณหาถ้าเกิดเขาเกิดในที่ที่เรารักเราพอใจนะเพราะฉะนั้นตัณหาเขาไม่ได้ไปเกิดในที่ที่เราไม่รักเราไม่พอใจเขาจะเกิดในอารมณ์อันเป็นที่น่ารักที่น่าพอใจจริงๆ พันอารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจเหล่านั้นเนี่ยนะที่จะถ่ายถอนตันหาได้จะทำยังไงจึงจะถ่ายถอนตันหาได้เมื่อเราเจออารมณ์อันเป็นที่น่ารักน่าชอบใจเนี่ยนะถ้าเราจะถอนไอไอความยินดีของเราในอารมณ์นั้นนั้นเนี่ยถามว่าต้องทำยังไงทำยังไ ง, ง, ไงนะคาถ า, าจำวิสุทธิมรรคได้ไหม เทวดาทั้งหลายมาถามว่าชัดทั้งภายในชัดทั้งภายนอกเห็นอะไรมันน่ายินดีไปหมดเลยเห็นอะไรก็เพลิดเพลินติดใจไปหมดเลยหมู่ประชาเนี่ยถูกชัดมันรกขนาดนี้นะัญหามันกลางกั้นขนาดนี้ถามว่าทำยังไงจึงจะถางชัดนี้ได้อ น, น, นัถามยังทำยังไงจึงจะไล่ความเพลิดเพลินเหล่านี้ได้นะเห็นอะไรมันก็น่ายินดีไปสมหมดเลยอะไรก็ดูดีดีนะก็บอกว่าน่ารักน่าพอใจ เป็นที่รับเป็นที่ชอบใจทั้งหมดเลยสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยใช่ไหมนระผู้ตั้งอยู่ในศีลเราคิดไหมว่าเราลืมตามองเห็นเนี่ยนะทาให้ถูกศีลก็ได้ทําให้ผิดศินก็ได้ถามว่ามองเห็นเนี่ยทําให้มีเจตนาศีลได้ไหมได้นะตัวสินเนี่ยได้แก่ตัวเจตนาเออลืมตามองเห็นเนี่ยเอออารมณ์เหล่านี้เป็นที่ร่ารักน่าพอใจของเรานะ ถ้าเป็นอารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจก็แสดงว่าใจเราเป็นโลภะและส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ใจเราเป็นโลภะทีนี้ถ้าเราจะสางถางไอชาติคือโลภะภายในของเราเนี่ยนะเราจะต้องไครควรในอารมณ์เหล่านั้นนนั้นอย่างไรใช่ไหมเจตนาศีลก่อนเป็นเบื้องต้นนะอย่าเพิ่งเรีบลัดขั้นตอนเลยว่างั้นเอาไล่ตามลําดับ ศึกษาโดยลําดับอนุปปภะศึกษาอนุปุปภะกิริยาอนุปปภะปฏิปทาก็จะต้องศึกษาโดยลําดับอธิศีลและศึกษาเออนี่อารมณ์เหล่านี้เป็นเจตนาศีลได้ไหมเอออารมณ์ทั้งหมดเหล่านี้เป็นเจตสิกศีลได้ไหมเป็นสังวรศีลไหมเป็นอวีติกามะศีลได้ไหมถ้าภู ส, ลสุลศีลเกิดในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้อ่อนฐานดีไหมรองรับภูสุลรานชั้นสูงเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าศีลนี่มัเขามีลักษณะว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงถ้าเรามองเห็นหูได้ยินเป็นต้นนะถ้าไม่สงเคราะห์ลงเจตนาศีลไม่สงเคราะห์ลงเจตสิกศีลไม่สงเคราะห์กุศลศีลลงได้นะแสดงว่าฐานเราไม่มีเลยที่จะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทุกๆอารมณ์ควรที่จะศึกษาเรื่องเจตนาศีล เจตสิกสังวรศีนและอวีติกามาสีนศีนมีอารณ์เท่าไหร่ศีนเนี่ยเป็นเป็นจิตเป็นเจตสิกหรือเป็นอะไรศีนนี่องค์ทำได้แก่อะไรก็เป็นจิตหรือเป็นเจตสิกอ่าทั้งจิตทั้งเจตสิกนั่นแหละเป็นกุศลเนี่ยนะเน้นไปที่กุศลถ้าเจตนาศีลเจตสิกศีนสังวรศีนอวีติกามาสีน แต่ว่าอวีติกรรมะความไม่ล่วงละเมิดท่านเอาทั้งกุศลจิตเจตสิกนั่นแหละที่ไม่ล่วงละเมิดความชั่วมาทางกายทางวาจาพาั้นกุศลศีลเหล่านี้เนี่ยนะเวลาเกิดขึ้นมีอารมณ์เท่าไหร่จิตเจตสิกเนี่ยนะศีลมีอารมณ์ได้เท่าไหร่สีเป็นอารมณ์ของศีลได้ไหมได้เสียงเป็นอารมณ์ของศีลได้ไหมเกลิ่นเป็นอารมณ์ของศีลได้ไหมได้รสก็เป็นอารมณ์ของศีลได้นะ โพธภ า, พาก็เป็นอารมณ์ของศีลได้ทำอารมณ์เป็นอารมณ์ของศีลได้ไหมข่าสัตว์นี่ฆ่าอะไรปา ร, รบที่ชีวิตตินรี์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของศีลถ้าหากว่าในทุกอารมณ์สงเคราะห์เจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกามาศีลลงในอารมณ์นั้นนั้นไม่ได้การที่จะเจริญงอกงามในกุศลศีลก็นับว่าคงยากคงยากยา ก, การฟังก็ ถ้ามีศรัทธาในท่าสูตรนั้นๆก็ชื่อว่าฝังอุปนิสัยในพระพุทธศาสนาไว้แล้วนะถ้าหากว่าเราฟังสูตรใดสูตรหนึ่งแล้วมีศรัทธาในสูตรนั้นๆ น, น, นะก็นับว่าฝังอัธยาสัยฝังอุปนิสั ย, พออ ย, สย เ, เพราะอัธยาศัยเป็นเรียกว่าเป็นหน่อเนื้อของพุทธังกูลนั่นแหละเครียกว่าเป็นหน่อแห่งพุทธะเป็นหน่อแห่งผู้ที่จะตรัสรู้อริยสัจแต่อีกเมื่อไหร่ทำนายไม่ได้พยากรณ์ไม่ถูก ถ้ามีศรัทธาสักสูตรหนึ่งก็นับว่าได้เพาะอุปนิสัยลงในพระศาสนาของพระพุทธศสนาของพระพุทธเจ้าแล้วล่ะแต่ว่าจะไปบรรลุในพระพุทธเจ้าอีกองค์ใดนั้นไม่มีใครพยากรได้ดูซิว่าไอ้ศรัทธาที่ยังลงในคำสอนสูตรนั้นนั้นเขามากขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าในส่วนที่เรากำลังศึกษาเนี่ยนะศึกษาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดนั้น ถ้าการตั้งจิตเพื่อการศึกษาที่ถูกต้องเนี่ยนะควรทําความเข้าใจว่าท่านชี้ให้เราดูอะไรพยายามที่จะดูตามท่านให้หมดก่อนส่วนจะเดินได้เดินไม่ได้อันนี้เป็นภาระของเรานะใช่ไหมเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวและเราขอปฏิบัติตามสติและตามกําลังแต่ในชั้นต้นในชั้นของการศึกษาเนี่ยท่านว่ายังไงเนี่ยนะเราต้องส่งจิตตามท่านอย่างเดียว น, นะขอศึกษาขอเรียนรู้ขอมีท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ปฏิบัติได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นการศึกษาในเรื่องกุศลศีลเป็นต้นเหล่านี้ก็ลักษณะนั้นนีนะพยายามเปิดใจกว้างก่อนแล้วคิดตามท่านนะเมื่อคิดตามแล้วถ้าหากว่าเห็นว่าคาราวะทับแคบก็ไม่เป็นไรนะสาลานี้หลังใหญ่จุได้หลายสิบนะอ๋อนี่หลายสิบนะเนี่ยอะไรเพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องการสรุปให้เน้นทบทวนที่เรียนมาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้ไปสงเคราะห์เจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกามาศีลลงกับทุกๆุกอารมณ์ที่น่าปรารถนาะหน้าพอใจเราคิดถึงอารมณ์ใดก็ตามมีสีเสียงกลิน่นรสโภทภะเป็นอารมณ์ก็ตามเอาเจตนาศีลสงเคราะห์ลงไปเอาเจตสิกศีลใส่ลงไปเป็นได้ไหม นะเอาสังวรศีลสงเคราะห์ลงไปแล้วก็เอาอาวีติกมะศีลสงเคราะห์ลงไปในอารมณ์นั้นถ้าสงเคราะห์กุ ส, สุรศีลลงไม่ได้จิตสิกขาหรือปัญญาสิกขาเนี่ยจบแล้วสำหรับบุคคลนั้นเพราะเขาไม่สามารถต่อได้เพราะว่าสุตตะมยะปัญญาไม่เพียงพอ เพราะว่าถ้าหากว่ากล่าวตามปฏิสามพิธามักเนี่ยท่านบอกเลยปัญญาที่ทรงจำทำที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสุตตมยญาญทีนี้ว่าเมื่อทรงจำมาแล้วสังวรตามนั้นแหละตามที่ฟังมานั้นแหละอันนี้ชื่อว่าสีลมยญาญท่านจะเรียงตามลำดับไปเลยนะแล้วถ้าหากว่าฝึกไปตามนั้นจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนามยญาญแล้วปัจยะปริฆายานหรือธรรมมิติยานก็จะเพ่งไปเรื่อยๆตามนั้นไป ครั้งที่แล้วกล่าวถึงประเภทของศีลคือประเภทนี้นับเป็นหนึ่งก็ได้ใช่ไหมนับเป็นสองนับเป็นสามนับเป็นสี่นับเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกะหมวดหนึ่งนับเป็นสองเรียกว่าทุกะหมวดสองนับเป็นสามเรียกว่าติกะนับเป็นสี่เร gegangen, 1, ียกว่าจตุกะจตุกะนั้น จตุกาที่หนึ่งกล่าวถึงศีลที่ว่าด้วยหานะพาคียะทิติภาคียะวิเศษสภาคียะและนิเพธภ า, าคียะส่วนจตุกาที่สองนั้นกล่าวถึงพิคุศีลภิคุณีศีลอนุปสัมบันิศีลและครือัสศีลจตุกาที่สามกล่าวถึง กติศีลอาจาระศีลธรรมดาศีลและปุกผ้าเหตุตุกศีลเนี่ยนะส่วนที่กล่าวครั้งที่แล้วกล่าวถึงจตุ ป, ปาริสุทธิศีลคือความบริสุทธิ์ของศีลสิประการนับตั้งแต่ปาติโมขสังวรอินทร์สังวรปัจจะยสานิสิตศีลแล้วก็อาชีวะปาริสุทธิศีล คำว่าปาติโมกนี้มีความหมายว่าว่าอะไรปาติโมกปาติโมกปาตีโมคขะปาตีคือใครปาตีปาตีนี่ใครมั่งเป็นปาตีผู้ที่จะตกไปในอบายทัางหลายนั่นแหละเรียกว่าพวกปาตีนะผู้ที่ตกไปในสังสารทุกข์ผู้ที่ตกไปในอบายเป็นต้นเรียกว่าปาตีโมคขะก็คือทําให้พวกปาตีเหล่านั้นแหละพ้นจากพ้นจากอบาย เพราะฉะนั้นศีลคือปาติโมก็รักษากลุ่มคนพวกปาตีให้พ้นจากอบายเป็นต้นนะนะสรุปสรุปแค่นั้นนะทีนี้มาขึ้นถึง อ, อินทรีสังวรศีลเฉพาะในหน้าห้าสิบสามนี่นะห้าสิบสามที่เรากำลังเรียนอยู่นี้เป็นหัวข้อเฉยๆยังไม่ได้ขยายละเอียดนักะนะคือหัวข้อตามพระพุทธพจน์ นับลงห้าบรรทัดกล่าวว่าส่วนศีลที่ตรัสไว้ว่าภิกษุนั้นเห็นรูปด้วยจากสุแล้วย่อมเป็นย่อมไม่เป็นผู้ถือเอาซึ่งนิมิตไม่เป็นผู้ถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะอกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วชา้าเคือพิชาและโทมนั์พึงไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำรวมจากขุนสีนี้เพราะเหตุแห่งความไม่สำรวมจากขุนีใดอยู่ นะคือหมายความว่าใครก็ตามถ้าลืมตามมองเห็นสีะนะไม่สํารวมคือไม่มีสติในขณะมองเห็นไม่ตั้งสติเอาไว้ก่อนที่จะเห็นพอเวลามองเห็นก็จะถือสีเหล่านั้นโดยนิมิตและอนุพยัญชนะชวนะจิตในขณะนั้นก็จะเป็นไปกับโลภะที่เรียกว่าอภิชาเป็นไปกับโทสะหรือเรียกว่าโทมนัสเนี่ย น, น, นะ หรือว่าอากุศลบาประทำอย่างอื่นอีกอกุศลธรรมชั่วช้ายอย่างอื่นอีกก็จะไหลมาจากตาซึ่งเป็นเหมือนกับประตูถ้าหากว่าบุคคลที่ไม่มีสติเป็นบานประตูปิดทวาวรนั้นอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมจากขุนศีอันนั้นปฏิบัติคือตั้งสติเนี่ยนะเข้าไปตั้งไว้ก่อน ก่อนที่จะเห็นอย่าลืมนะสติเป็นยังไงสติอุปมาเหมือนกับอะไรนะท่านนึกถึงสตินึกถึงอุปมาของสตินะหนึ่งขุน ค, คลังสองปรินายกหรือเพิ่งเห็นเหมือนกับนายทวารหรือเพิ่งเห็นสติเหมือนกับเสาเคือดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสติเป็นเหมือนกับคุนคลังเนี่ยนะถ้าเรามองเห็นป๊บเนี่ยเสียสีได้ไหมคุนคลังเนี่ยรารายรับ ร, รายจ่ายนี่มองออกหมดเลยใช่ มีได้มีเสียแล้วลืมตามองเห็นนี่มีได้มีเสียแล้วนะเออถ้าหากว่าไม่สังวรอะไรจะเกิดขึ้นเสียหายทรัพย์อริยทรัพย์ภายในเสียไปขนาดไหนแล้วถ้าสังวรแล้วเนะี่ยอริยทรัพย์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้เป็นกิจของสติหรือถ้าสติเกิดขึ้นอีกในหนึ่งเหมือนปริญญายกแก้วเนี่ยนะก็จะคัดเลยว่าเออนี่จะมีโทษนะนะจะต้องแก้ปัญหาแบบนี้แบบนี้อันนี้ไม่มีโทษนะกุศลแจิตเกิดขึ้นพอกพูนเข้าไว้ น, นั่นเป็นกิจของสติ